มาตราวัดนี้สําหรับกําหนดรู้ระยะคือห่างชิดสูงต่ํายาวสั้นกว้างแคบเข้าใจว่าเดิมทีคงใช้นิ้วเป็นหลักในวิธีกระจายออกจะเอาอวัยวะเป็นหลักไม่ได้แล้วจึงจับเอาเมล็ดข้าวเป็นหลักในวิธีผนวกคงใช้อวัยวะเป็นหลักต่อไปมีรูปดังต่อไปนี้ เเมล็ดข้าวเป็น1นิ้ว12นิ้วเป็น1คืบสองคืบเป็น1ศสอก4ศสอกเป็น1วา25วาเป็น1อสุภะ80อสุภะเป็น1ขาวุธ4ข่าวุธเป็น1โยตรูปนี้เข้ากันได้กับที่ใช้ในประเทศนี้และสมกันกับที่ใช้ในชมพูทวีป เมื่อพุทธศก 1,200 รล่วงไปแล้วครั้นภิกษุจีนชื่อหวนฉางไปมเมล็ดข้าวนั้นในอภิธานับปทีปิกาเรียกว่าท่นานม่าดในระยะทางของพระหวนฉางเรียกว่ายาวะเยาวะข้างไทยเคยแปลกันมาว่าข้าวเหนียวได้เอามเมล็ดข้าวเหนียวทั้งเปลือกเรียงเทียบกับนิ้วช่างไม้ดู ข้าวเหนียวดำโตไปเพียง6มเมล็ดก็ได้นิ้วหนึ่งข้าวเหนียวขาว7มเมล็ดพอดีแต่เศษของนิ้วแบ่ง8สะดวกกว่านิ้วหนึ่งแบ่งสจะได้เรียกว่ากระเบียดกระเบียดหนึ่งแบ่งเป็น8สะดวกกว่านิ้วหนึ่งแบ่งสจะได้เรียกว่ากระเบียดกระเบียดหนึ่งเช่นของเราก็ยิ่งดี ตั้งแต่เมล็ดข้าวจนถึงสอกเป็นแบบมาในคำพีอภิธานปัีปิกาตั้งแต่สอกขึ้นไปถึงโยอเป็นแบบมาในคำพีสังขยาปกาสกะชักมาแสดงในปุพพสิกขาวนานาในสิกขาบทกล่าวถึงประมาณวัดที่วัดสั้นนับเป็นคืบๆไปอย่างนับเป็นฟุตมีกำหนดด้วยสุคตประมาณทั้งนั้น ที่วัดยาวถึงโยธหาได้บอกกำหนดด้วยสุคตประมาณไว้ไหมข้อนี้จากปลารพถึงข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งสี่สอบเป็น1ธนู500ธ น, นูเป็น1โกศซีโกศเป็น1ขคาวุธซีคาวุธเป็น1โยธ น, นี้เป็นแบบมาในคำพีสังขยาปกาศากะเหมือนกันใช้เป็นเครื่องกำหนดระยะแห่งเสนาสนะป่า ซึ่งกล่าวถึงในบางสิขาบท